มาจากที่ไหนกันะมาจากที่ไหนกรุงเทพมั่กันกีคนสองคนอนันนีมั่กันกีคน <S S S มาจากกรุงเทพเหมือนกัน น, นนะอปากกา <S S S เยไปวัดใหม่ที่บางพลีว่ะวัดป่าที่เขาสร้างใหม่อ่าไปเลยเป็น เป็นของใครอาจารย์สงบเลยอาารสงบนี่ได้เป็นเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์อินทไวเลยนี่ไงมันมีสองสงบเนี่ยสงบที่ราชบุรีก็ละสงบเนี่ยพระอาจารย์สงบนี่พรรษาเท่าไร่นะ ท่านก็อยู่บ้านตาเหมือนกันนะบ้านตากก็เป็นเหมือนโรงเรียนเนะี่ยมีนักเรียนหลายรุ่นเราก็รุ่นหนึ่งแต่รุ่นอื่นเราไม่รู้ถ้าไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ไม่รู้จักเราอยู่ร่วมรุ่นกับพอาจารย์อินทวายอาจารย์อินทวายพอาจารย์ภาระอาจารย์สุดใจที่เป็นเจ้าวาดอยู่ตรงนี้รุ่นเดียวกัน คือไม่ใช่พรรษาเดียวกันแต่หมายความว่าอยู่ช่วงเดียวกันอาจารย์ปัญญาพรดชาวต่างประเทศอาจารย์เชอร์รี่อาจารย์เชอร์รี่ยังอยู่ที่วัดป่ามันตานเป็นชาวแคนาดาบวได้ห้าสิบกว่าพรรษาแล้วห้าสิบกว่าัรษาท่านที่วันตานนี้ก็มีหลายรุ่น แต่รุ่นก็เข้าไปอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ออกลงตาท่านจะเคลียร์ออกจะได้มีที่ให้รุ่นใหม่เข้ามาแต่บางองค์ท่านก็ปล่อยให้อยู่ไปมีเหตุผลเฉพาะตนก็พระสุดใจนี้ท่านก็เข้าไปอยู่พร้อมรอมกับเราแต่ท่านก็ไม่ได้ออกเลยท่านก็อยู่ที่นั่นมาตลอดตั้งแต่ปี 2.518 นสิบปด นี่หกสิบก็ห้าสิบสองปีอ่าสี่สิบสองปีเลยตนะอนอนี้อาจารย์สุใจเป็นเจ้าแล้วอ่าเป็นเจ้าวาอ่ท่านก็เข้าไปปีสองพันห้าร้อสิบแปดพร้อมๆกันพร้อมเราเข้าไปสองพัห้าสิบแปดามันสาสองพัน้าสิบแปดพร้อมกั น, ก, น, ก, นก็มีที่เข้าไปแล้วอยู่แล้วออกพรชาวต่างประเทศก็ส่วนใหญ่จะอยู่ พระอาจารย์เชอรี่ก็อยู่ที่นั่นมาตลอดพระอาจารย์ปัญญาก็อยู่จนท่านวรนาภภาพพระอาจารย์ลิขตอนนี้ท่านก็ไปสร้างวัดที่อเมริกาที่สหรัฐพระอาจารย์จัน์ก็ไปเลี้ยงเสืออยู่ที่ที่เมืองการอยู่โ่วมกันอยู่รุ่นเดียวกันอาจารย์จันท์นี่ก็อยู่รุ่นรุ่นเดียวกัน ตอนนี้นึกไม่ออกมีหลายลูกแต่ถ้าไม่อย่างนี้ความจำไม่ค่อยดีนึกไม่ออกมีใครบ้างก็บดก็เป็นเหมือนโรงเรียนไปศึกษาเล่าเรียนจากครูอาจารย์แต่โรงเรียนนี้ดีไม่ต้องใช้กระดาษดินสอให้ใช้ความจำออ ไม่ต้องเขียนหลวงตาท่านสอนบอกว่าตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังใจมีไว้คิดเนี่ยท่านสอนแค่นี้ดูอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรเอามาคิดคิดแล้วก็จะเป็นความรู้ขึ้นมาคิดว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เพื่ออะไร ไม่ต้องอธิบายของบางอยานี้ท้าบอกถ้าอธิบายแล้วมันไม่เป็นปัญญาปัญญานี้เราต้องคิดหัดคิดกันเองถ้าบอกว่าทำอย่างนี้เพราะอย่างนั้นมันก็มันก็ไม่รู้ด้วยตัวเองเดี๋ยวพอเห็นอย่างอื่นก็ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรแต่ถ้าเราคิดด้วยเหตุด้วยผลเขาทำอย่างนี้เขาได้ผลอย่างนี้เขาทาเพื่ออย่างนี้เขาทาอย่างนี้เพื่อให้ได้ผลอย่างนี้ เราก็จะได้คิดเป็นเราก็จะได้ฉลาดพอคิดเป็นแล้วมันคิดได้กับทุกเรื่อง <c oughs> เห็นอะไรนี่มันจะคิดทันทีมันจะดูผลจากการกระทําทันทีว่าทําแบบนี้เพื่ออะไรได้อะไรถ้าคิดไม่เป็นก็ถามไปเรื่อยเห็นอะไรก็ถามไปเรื่อยอันนเราอยู่ที่นั้นต้องต้องหัวไวต้อาคิด บางทีถ้าไม่พูดท่านชี้อะให้ให้รู้ว่าไปคิดดูว่าชี้นี่ชี้ชอะไรเรื่องอะไรนี่เป็นการเรียนต่างต่างจากการเรียนที่เราเรียนกันตามโรงเรียนตามโรงเรียนนี่เราเรียนให้จําให้จดจําให้ท่องจำํำแต่ที่นั้นให้ทั้งจําให้ทั้งคิดด้วย ม่ใช่จำอย่างเดียวให้คิดด้วยเหตุด้วยผลว่าทำอย่างนี้เพื่อเพื่อผลอะไรถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลมันก็จะเป็นปัญญาปัญญาก็เป็นหลักเหตุหลักผลนี่เองช่นไปทำบาปแล้วจะได้อะไร นี่ก็เป็นปัญญาไปฆ่าสัตว์นี้ไปฆ่าคนนี่ล้วได้อะไรน่าแต่ความทุกข์ติดคุกติดตารางก็เพราะไปฆ่าคนตายไปก็ไปเกิดเป็นในรัจฉานไปตกนรกอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนทําบุญแล้วได้อะไร ทำบุแล้วก็ได้ความสบายใจได้ความสุขใจตายไปก็ได้ไปไปเป็นเทวดาไปเที่ยวในสวรรค์นี่คือเรื่องของธรรมะเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของเหตุผลทังนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อคือพูดแล้วต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่บังคับให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้ออกไปพิสูจน์ เอาไปปฏิบัติให้เชื่อเพื่อเอาไปพิสูจน์เท่นั้นเองเหมือนกับเราเชื่อหมอหมอให้ยามาเราก็ต้องเชื่อหมอหมอให้เอายานี้ไปกินเราก็ต้องกินยาถ้าเราไม่กินยาเราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้ใช่ได้ย่างไมถ้าไม่กินก็ไม่รู้โครคภัยไข้เจ็บก็ไม่หายถ้ากินแล้วก็จะรู้หายหรือไม่หาย ถ้าไม่หายก็สก็บอกหมอว่ายานี้กินแล้วไม่หายหมอก็อาจะเปลี่ยนยาให้ใหม่หรือถ้าหมอเปลี่ยนกี่ครั้งก็ไม่หายสักทีก็แสดงว่าหมอปลอมก็ต้องเปลี่ยนหมอจะไปหาหมอตีที่ร้านขายยาสมัยก่อนเราไปสม่สบายเรามักจะไปร้านขายยาเลยไปบอก หมอตีที่ขายยาบอกปวดหัวหมอตีก็ยาแก้ปวดหัวมาให้กินบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายบางทีก็แย่ ก, กว่าเดิมเพราะหมอตีไม่ใช่เป็นหมอแพทย์กก็ไม่รู้อาการต่างๆไม่รู้สาเหตุของผลของปวดหัวนี่มันมีหลายสาเหตุ่ยปวดท้องก็มีหลายสาเหตุ ที่หมอแต่แกก็คิว่าเป็นสาเหตุเดียวกันก็ให้ยาอย่างเดียวกันถ้าเป็นสาเหตุอย่างเดียวกันมันก็หายถ้าเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึง่งมันก็ไม่หายแต่ถ้าเป็นหมอแพทย์เนี่ยเขาต้องวิเคราะห์ดู ว, ว่าปวดเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุให้ปวดต้องถามเข้าไปหาเหตุหได้จะได้รู้ว่ามันปวดด้วยเหตุอะไรแล้วจะได้แก้เหตุนั้น พอแกเห็นนั่นได้ผลคือความปวดมันก็จะหายไปนนี้คือการศึกษาทางธรรมะเาใช้เหตุใช้ผลกันใช้การพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัตินี่คือเรื่องของการไปศึกษาตามว่าตามว่าเวลาฟังเทศเราเลยไม่ต้องมีกระดาษดินสอมานั่งคอยจด ถ้าจดเนื้อมันจะไม่ได้ฟังตอนที่เราจดนี้ตอนที่เราจดสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่ตอนที่เราจดเราก็จะไม่ฟังเราก็จะไม่เข้าใจตอนที่เรากําลังจดเนื้อพอจดเสร็จพอเลิกฟังมาเปิดอ่านก็ไม่เข้าใจมันมันมันไม่ต่อเนื่องเหตุผลมันไม่ต่อเนื่อง น, นเวลาฟังธรรมท่านจึงไม่ไม่ไม่ ไ, มไมจดกันท่านบอกว่าให้ตั้งใจฟังให้ฟังทุกคำพูดให้มีสติอยู่กับการฟังทุกคำพูดไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไปคิดปั๊บก็จะไม่ฟังละฟังก็จะไม่รู้เรื่องเวลาฟังต้องมีสติ ใจจดจอ่ออยู่กับการฟังพอฟังแล้วก็ให้คิดตามให้พิจนาตามอย่างตอนนี้ที่พูดเนี่ยก็เราก็คิดตามเราก็ถ้าคิดตามเราก็จะเข้าใจถ้าไม่คิดตามก็จะไม่เข้าใจถ้าคิดตามแล้วยังไม่เข้าใจก็แสดง ว, ว่าปัญญาเราไม่ทันปัญญาของเรายัง ไม่ถึงขั้นนี้การแสดงธรรมนี้บางทีท่านแสดงหลายระดับด้วยกันถ้าในระดับของปัญญาของเราเนี่ยพอฟังเราก็จะพิจารณาคิดตามได้ถ้ามันอยู่สูงกว่าเรานี่เราไม่เข้าใจแล้วพูดว่าอานั้นอันนี่แปลว่าอะไรไม่ไม่รู้ละการฟังธรรมก็มันก็บางทีก็ ท่านถึงต้องแยกคนกลุ่มคมฟังว่าอยู่ในระดับไหนอย่างญาดโยมนี่ท่านกาะแสดงทําระดับของญาติโยมถ้าถ้าเป็นพระท่านกาะแสดงทํรระดับของพระมันก็จะมีความแตกต่างกันศีลของพระกับศีลของโยมก็ต่างกันนะศีลของโยมก็แค่ห้าข้อหรือแปดข้อแต่ศีลของพระนี่สองร้อยี่บเจ็นข้อ มีความละเอียดมากกว่ากันบางทีการแสดงธรรมท่านจึงมักจะแยกกลุ่มกันถ้าเอาเอาธรรมของพระมาให้โยมฟังโยมก็ฟังไปดูเรื่องเอาธรรมของโยมไปให้พระฟังพระก็ผ่านมาแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเคยเป็นโยมมาแล้วเคยรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดมา แต่ศีลแปดยังไม่ศีลน้องสองร้อยยิบเจ็ดยังไม่ได้รักษาก็ต้องสอนเรื่องศีลสองอยิบเจ็ดให้พระฟังยันทางสายปฏิบัตินี่ท่านจะแยกการสอนญาติโยมจะสอนช่วงหนึ่งพระจะสอนอีกช่วงหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยวลาแสดงทรรนี่ท่านจะสอนแยกกัน ตอนบ่ายจะสอนยาติโยมตอนค่ำจะสอนพระสิกสุสัมมาเนมตอนดึกจะสอนเทวดาเทวดาก็ต้องแยกเพราะการสอนเ ท, เทวดานี้ไม่ได้สอนด้วยวาจาสอนด้วยกระแสจิตสอนด้วยกระแสความคิดเพราะเทวดาเขาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนมนุษย์ ถ้าพูดเทวดาก็ไม่ได้ยินต้องเข้าไปในสมาธิแล้วก็ติดต่อกับเทวดาทางสมาธิ <Yeah. S 1> ถึงจะถึงจะเทศสอนเทวดาได้ <Yeah. S 1> แต่เรื่องของการการศึกษานี่ก็ <c oughs> ให้ฟังแล้วก็ให้เอาไปคิดต่อ ท่านสอนให้ทําอะไรเราก็ต้องไปคิดต่อเอาไปจดไปจำท่านสอนให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เราก็ต้องกลับไปเอาไปคิดต่อว่าท่านสอนให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่าลืมอย่าลืมแล้ววิธีที่จะไม่ให้ลืมก็คือต้องเอาไปทําถ้าทําปบ่อยๆเข้ามันก็จะติดเป็นนิสัยพอมันเป็นนิสัยแล้วไม่ลืม ตายไปมันก็ยังติดไปกับใจพอเป็นนิสัยแนละ้วพอไปเกิดมากลับมาเกิดใหม่ก็ทำต่อเป็นนิสัยเช่นให้ทาบุญนี้ทำอยู่เรื่อยๆทำไปจนกระทั่งเป็นนิสัยโดยที่ไม่ต้องบังคับพอมีเวลาว่างก็อยากจะทำบุญมีเวลาว่างก็อยากจะทำบุญมีเงินพอที่จะทำบุญก็จะทำบุญมันก็จะติดเป็นนิสัยไป ชาหน้ากลับมาเกิดใหม่มันก็จะทําต่อก่อนเราเกิดมาจึงทําบุญไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนทําน้อยบางคนทํามากบางคนเอาเงินไปทำอย่างอื่นมากกว่าไปซื้อข้าวซื้อของเอาไปเที่ยวเอาไปเล่นเอาไปกินเอาไปดื่มบางคนก็เอาเงินมาทําบุญมากกว่าเอาไปกินเอาไปเที่ยวไปเล่น อันนี้ก็เกิดจากการที่ได้ทำอยู่เรื่อยๆทำจนติดเป็นนิสัยมาเลยไม่ลืม yeah. ถ้าเราไม่อยากจะลืมสิ่งที่ดีที่งามเราต้องเอามาทาทำแล้วมันจะฝังอยู่ในใจถ้าเอามาคิดเฉยๆเดี๋ยวลืมพอได้ยินได้ฟังแล้วเดี๋ยวเราไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะลืมเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังไป ข้อที่หนึ่งวิธีไม่ให้ลืมก็ต้องคิดบ่อยๆข้อที่สองต้องเอาไปกระทาต้องไปเอาไปปฏิบัติถ้ามันก็จะฝังอยู่ในใจถ้าไม่เอาไปปฏิบัติเดี๋ยวถ้าไม่ได้คิดมันก็จะลืมเพราะเดี๋ยวเรามีเรื่องอื่นให้คิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้้ามาเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังจากการฟังธรรมมันก็จะถูกกลบไป ลืมไปลืไปว่ามาฟังทำคราวนี้ท่านสอนให้เราทำอะไรบ้างสอนให้ตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังใจมีไว้คิด เ, เดี๋ยวก็ลืมเข้าใจหรืเปล่าตามีไว้ดูดูดูแล้วก็ให้ใจคิดที่ว่าเรากำลังดูอะไรเรากำลังจะทำอะไรกับสิ่งที่เราดู มันดูแล้วเกิดความโลภความโกรธหรือเปล่าดูแล้วไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธต้องดูแบบต้องใช้ความคิดพราะดูแล้วเกิดความโลภมันไม่ดีเพราะความโลภทำให้เราทุกข์เโลภเห็นอะไรโลภแล้วอยากได้พอคนอื่นเอาไปก่อนนี่เราก็เสียใจเห็นคนนี้อยากจะได้มาเป็นแฟนเอาคนอื่นเอาไปก่อนแนละ้ว อพอเห็นนี่ก็เสียใจแต่ถ้าดูแล้วเฉยๆไม่ไโลภอยากได้ให้เขามาเป็นแฟนคนอื่งเราไปเป็นแฟนเราก็เฉยๆถ้าดูแล้วต้องดูแล้วต้องดูแบบเฉยๆดูแล้วอย่าไปดูแบบโลภแล้วดูแบบโกรธดูแบบโกรธก็ไม่ดีเห็นอะไร้วโกรธขึ้นมาใจก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมากินไม่ได้ กระสักระสายกระวนกระวายถ้ามันโลกต้องทำยังไงก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้ามันโกรธก็ต้องหยุดมันให้ได้เพราะมันไม่ดีมันทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราร้อนใจเราไม่สงบแต่ตอนนี้เรานั่งตอนนี้ใจเราสงบเนี่ยเดี๋ยวพอเราได้ยินเสียงไม่ดีเข้ามาในใจนี้ใจเราหายสงบนะ ไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดหลวงพ่อด่าขึ้นมาปั๊บนี่ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าฟังเฉยๆลราดูดูว่าใจเป็นยังไงใจเฉยๆฟังเราเฉยๆหรือเปล่าถ้าไม่เฉยๆโกรธนี่ต้องรีบดับความโกรธอย่าไปดับคนที่พูดคนที่พูดเราไปดับเขาไปหยุดเขาไม่ได้หยุดที่ใจเรา ความโกรธของเราความไม่พอใจของเราพอเราไปห้ามเขามไม่ได้ห้ามได้ก็ห้ามบางทีก็ห้ามได้เนี้ยบางทีก็ห้ามไม่ได้แต่ถ้าห้ามที่ใจแล้วปัญหามันหมดถ้าห้ามใจเราไม่ให้โกรธเขาจะพูดยังไงก็เราก็ไม่โกรธเราก็ไม่ต้องไปห้ามเขาให้เหนื่อยห้ามที่ตัวเราวิธีแก้ปัญหาต้องแค่ที่ตัวเรา ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนที่เราเห็นหรือเสียงที่เราได้ยินอยู่ที่เราไปรักไปชังหรือไม่พอไปรักก็เดี๋ยวก็เสียใจได้ถ้ารักแล้วไม่ได้ของที่เราอยากได้ชังก็จะไม่สบายใจใเวลารักหรือชังเราก็ต้องหยุดความรักความชังไม่ใช่ไปเอาสิ่งที่เราลักหรือไปกำจัดสิ่งที่เราชัง เพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปเอาสิ่งที่เรารักแล้ว เ, เ, เกิดเอาไม่ได้จะทำไงก็เสียใจเองรักเขาแล้วเขาไม่รักเราอยี้เสียใจหรือเปล่าชังแล้วโกรธเขาแล้วอยากจะให้เขาหายไปเขาก็ไม่ไปเ็ก็ยังอยู่กับเราอย่างนี้เราก็จะวุ่นวายใจอยู่กับเขาแต่ถ้าเรามาหยุดความรักความชังได้เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับเขา เขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ไปเราก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาความรักความชังเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราไปผูกใจเรากับคนอื่นก็ได้ถ้าไม่มีรักไม่มีชังแล้วเราไม่ไปผูกคนที่เราไม่รักไม่ชังน้่เรามีอะไรกับเขาไหมไม่มีใช่ไหมเขาจะรักเราหรือไม่รักเราเราก็ไม่เดือดร้อนกับคนที่เราไม่ได้มีอะไรไม่ได้รักกับเขา แต่คนที่เรารักนี่พอเขาไม่รักเรานี้เป็นยังไงเดือดรนะ้อนไอแล้วเอาความรักเราไปผูกกับเขาแล้วก็ไปทุกข์กับเขาความชังก็เหมือนกันเอาความชังไปผูกไว้กับเขาพอชังแล้วก็อยากจะไล่เขาไปอยากให้เขาหายเขาไม่ไปเราจะทำยังไงเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราเี่ย ท่านยังบอกให้มีตาดูหูฟังใจคิดคิดให้เป็นคิดให้รู้ว่าความสุขความทุกข์ของใจเราเนี้ยอยู่ที่เราเองไม่ได้อยู่สิ่งที่เราได้ยินหรือได้เห็นถ้าใจเราไม่มีรักไม่มีทาล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็น ได้ยินเสียงชมก็เฉยไม่ได nope. hmm. ้รักกับเสียงชมได้ยินเสียงด่าก็เฉยไม่ได้ลังเกียดไม่ได้ชังกับเสียงด่าเราก็อยู่เฉยๆได้แต่ถ้าเราลักเราชังขึ้นมาพอใครก็ด่าเราเดือดร้อนเลยนะตอบโต้กันใหญ่เลยเขาด่าเราเราก็ด่าเขาเขาพอเราไปด่าเขาเขาก็ด่ากลับมาเดี๋ยวก็ตีกัน แล้วก็ฆ่ากันเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เป็นเพราะว่าเราดูไม่เป็นฟังไม่เป็นคิดไม่เป็นดูแล้วเกิดความโลภขึ้นมาก็แทนที่จะหยุดมันกลับไปทำตามมันพอ <c oughs> โลภพอรักอยากได้อะไรก็ไปเลยไปเอามันเลยถ้าได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจ แต่ถ้าเราไม่รักเฉยๆเราก็ไม่ต้องไปเอาเงินไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนได้ก็ไม่เดือดได้ก็ไม่ดีใจเฉยๆสบายกว่านี่คือเรื่องของพวกเราพวกเราไม่รู้จักเฉยกันไม่รู้จักหยุดความรักความชังความกลัวความหลงกันปล่อยให้มันเป็นตัวฉุดากจิตใจของเราให้ไปวุ่นวายอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้น ความวุ่นวายใจของพวกเราทุกวันนี้วุ่นวายก็เพราะความรักความชังความกลัวความหลงนี่ละพอรักแล้วก็วุ่นวายแล้ะรักเขาเขาจะรักเราหรือไม่คิดละรักเขาแล้วเขาจะทิ้งเราหรือไม่เขาทิ้งเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเราไม่รักเขาเขาจะทิ้งเราเราก็ไม่เดือดร้อนทําไมเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราทําไมไปรักเขาทําไม ถ้าจรักก็ต้องบบรักแบบเมตตาสิถ้รักแบบเมตตานี้ไม่เป็นโทษเพราะเราไม่ต้องการอะไรจากเขารักแบบเมตตานี้รักเพื่อให้รักด้วยการให้เห็นเขาทุกข์ก็ให้ความสุขกับเขาพอเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแต่เราไม่ต้องการอะไรจากเขาต้องรักแบบนี้รักแบบไม่ต้องการอะไรจากเขา ถ้ารักแบบต้องการเนี่มันจะเสียใจเวลาไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจากเขาเราลักเขาเราอยากจะให้เขารักเรากลับเนี่ยพอเขาไม่รักเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเรารักแบบเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนเราจะไม่เสียใจเห็นพ่อแม่รักลูกนี่ไม่ก็เสียใจกับลูกลูกจะรักพ่อรักแม่หรือไม่พ่อแม่ก็รักลูกอนนี้รักแบบเมตตา รักแบบให้ไม่ได้รักแบบที่จะเอาอะไรเป็นผลตอบแทนอยากจะเห็นผลตอบแทนก็คืออยากจะให้ลูกมีความสุขทนั้นอยากจะให้ลูกปลอดภัยอยากจะให้ลูกดีถ้าลูกดีลูกปลอดภัยลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขนี่รักแบบเมตตารักแบบนี้พระเจ้าสอนให้รักแต่อย่าไปรักแบบต้องการ ให้ได้สิ่งที่เรารักอย่างนี้จะเสียใจยเวลาไม่ได้สิ่งที่เรารักให้รักแบบให้อย่าไปรักแบบเอาถ้าลักแบบเอาแล้วพอไม่ได้ก็จะเสียใจยถ้ารักแบบให้นี้มันไม่เสียใจยเพราะมันให้ได้ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ที่เราเรา เ, เราเป็นคนให้เราควบคุมการให้ได้แต่เราควบคุมการรับไม่ได้ เราให้แล้วเราต้องการได้รับอะไรตอบแทนถ้าไม่ได้รับตอบแทนเราก็จะเสียใจนน่คือการใปเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ทาจารจะสอนด้วยการพูดด้วยการคุยกันให้เหตุให้ผลแล้วเราก็เอาไปพิสูจน์ดูเอาไปปฏิบัติตามดู ถ้าเราทำตามท่านได้เราจะพบว่าใจเรามีความสุขใจเราสบายถ้าเราทำตามไม่ได้ใจเราจะร้อนใจเราจะวุ่นวายถ้าเราอย่างห้ามความรักความชังไม่ได้เวลารักใคร ใ, ใจก็ตื่นเต้นนะเวลาชอบอะไรอยากได้อะไรขึ้นมาใจก็ตื่นเต้นนะแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจหรือโกรธ นี่คือสิ่งที่เรามาศึกษากันก็คือเรื่องความรู้สึกของใจเราเนี่ยของตัวเราความรู้สึกทุกข์รือสสุขเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของเราเองเกิดจากการที่เร า, ารู้ว่า อะไรทําให้เราสุขอะไรทําให้เราทุกข์หรือไม่ส่วนใหญ่เราจะไม่รู้กันเราจะไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่ความจริงมันไม่ใช่เราสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราเพราะว่าเราอยากได้แล้วพอเราได้มาก็เราก็ได้ความสุข แต่พะเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็กลายเป็นให้ความทุกข์กับเราความจริงสิ่งนั้นก็สิ่งอันเดียวกันนะั่นแหละเวลาได้ก็สุขเวลาไม่ได้ก็ทุกข์แต่ถ้าเรามามองที่ใจเราถ้าเราไม่ได้ไปอยากได้เราก็จะไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์ได้เราก็เฉย เมื่อเฉยๆก็ไม่ต้องเอามาแต่ตอนนี้เราก็เฉยอยู่แล้วอยู่เฉยๆนะดีที่สุดไม่กําไรไม่ขาดทุนถ้าได้มาแล้ว เ, เดี๋ยวมันต้องเสียเพราะว่าไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อม มีการสูญสลายมีการสิ้นสุดเวลาสิ้นสุดนี่มันเสียใจเศร้าเศร้าใจเศร้าโศกเสียใจเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปเพราะเขาต้องมีวันสิ้นสุดอันนี้ก็กลับมาที่คนใกล้ตัวเดี๋ยวพูดไปแย่ไม่ไียนตั้งใจพูดพูดความจริง เนี่ยเราต้องสูญเสียนะสิ่งที่เรารักไม่ว่าพ่อว่าแม่ไม่ว่าสามีไม่ว่าภรรยาไม่ว่าบุตรไม่ว่าทิดารักมากก็จะเสียใจมากรักน้อยก็เสียใจน้อยไม่รักเลยก็ไม่เสียใจเลยอยากไปรักดีกว่ารักแบบเมตตาถ้ารักแบบเมตตาเราไม่เสียใจ รักโดยที่เราไม่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนจากเขารักโดยที่เราไม่ต้องการความลักจากเขาเราก็จะไม่เสียใจถ้ารักพอเราต้องการให้เขารักเราพอเขาไม่รักเราเราก็จะเสียใจเวลาเขาจากเราไปเขาก็ไม่รักเราละรักเราไม่ได้ละเราเสียใจแล้วเราก็ต้องมีการจากกัน เพทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันไปไม่ช้าก็เร็วจากตายก็มีจากเป็นก็ดีก็มีบางทียังไม่ตายก็จากไปก่อนก็ได้เบื่อเราเขาก็ไปแล้วเขาไปชอบคนอื่นเขาก็ไปแล้วนี่คือให้ศึกษาให้เห็นสิ่งที่จะมากระทบกับใจเราว่าเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราเสมอหรอกเขาให้ความสุขกับเรา เท่าไหร่เขาก็จะให้ความทุกข์กับเราเท่านั้นแหะเพราะเวลามันหมดไปความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปสุขมากก็ทุกมากสุขน้อยก็ทุกน้อยให้รู้จักคิดให้รู้จักอยู่อยู่แบบไม่ทุกอยู่แบบไม่ทุกก็อยู่แบบไม่โลภไม่รักไม่ชังจะไม่รักไม่ชังได้ก็ต้อง หยุดใจให้ได้ใจตอนนี้มันไม่หยุดมันคิดอยู่ตลอดเวลาพอคิดแล้วมันก็เกิดความลักความชังความกลัวความหลงขึ้นมาถ้าหยุดความคิดแล้วความลักความชังความกลัวความหลงก็จะหายไปแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆได้เพราะว่าพอไม่มีความลักความชังความกลัวความหลงแล้วมันจะมีความสุขมีความพอ ไม่หิวไม่อยากถ้ารักก็หิวละถ้าชังก็เบื่อแล้วง mm hmm. ั้นเราต้องมาหัดทำใจเราให้เฉยให้ได้ถ้าเราทำใจให้เฉยไม่ได้เราก็ต้องไปรักไปชังแบบที่เราเป็นกันอยู่นี้แล้วก็ไปดีใจไปเสียใจกับสิ่งที่เราได้มาเสียไปนี่เป็นวิธีที่พวกเราหาความสุขกัน หาความสุขด้วยความรักด้วยความรักสิ่งนั้นสิ่งนี้รักคนนั้นคนนี้แล้วเราก็ไปเ อ, เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเดี๋ยวพอสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เขาไม่ให้ความสุขกับเราความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มาเข้ามาแทนที่เราจะต้องเจอความทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพรามันเป็นของคู่กันมันจะตามกันมาพอไม่สุขมันก็จะทุกข์เพราะั้นพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ตามมาก็คือหาความสุขแบบไม่รักไม่ชังให้ทำใจไม่รักไม่ชังหยุดความคิดหยุดการทำงานของใจ ถ้าใจหยุดทางานแล้วใจจะไม่มีรักไม่ชังไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงใจจะเฉยๆแล้วใจจะอิ่มใจจะสุขสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะไม่มีอะไรจะต้องเสียจะไม่สุขก็เฉพาะตอนที่เราไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หยุดคิดเท่า น, นั้นเอง พอเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็เกิดความรักความชังขึ้นมาความกลัวความหลงขึ้นมามันก็จะทําให้เราต้องไปวุ่นวายกับของที่เรารักของที่เราชังกันเห็นเรามาหยุดใจกันดีกว่ามาทําใจให้สงบเนี่ยที่เรียกว่าให้มานั่งสมาธิเนี่ยนะก็คือมาหยุดใจมาทําใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุข โดยที่ไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขเพราะเวลาใจสงบแล้วจะไม่มีความรักความชังไม่ต้องการอะไรไม่รังเกียจอะไรมีอะไรมากระทบก็เฉยได้ก็มีอะไรกระทบก็จะไม่ชังเช่นมีเสียงด่ามาก็จะไม่ชังจะไม่เสียใจจะเฉยเฉยได้ นี่นะ่ะคือพลังของใจคือสมาธิความสงบใจที่มีสมาธินี้จะแข็งเหมือนหินจะมีความมีน้ำหนักมากก้อนหินนีเน่เวลาพายุมาพัดนี่มันไม่ขยับเลยในชะ่แต่ใจที่ไม่มีสมาธิเหมือนเหมือนเหมือนปยนุ่นเห็นปยนุ่นนะ เวลาลมพัดมาเบาๆก็ไปละหรือขนนกเนี่ยขนนกนี่เวลามีลมพัดมาเบาๆก็ลอยไปเลยใจพวกเราก็เป็นเหมือนขนนกเนี่ยพอมีอะไรกระทบใจหน่อยไปเลยดีใจก็ดีใจสุดๆเลยเสียใจก็เสียใจสุดๆเลยเศร้าใจก็เศร้าใจสุดๆเลย โกรธก็โกรธแบบสุดๆเลยเพราะว่าไม่มีน้ำหนักตัวที่จะทำให้ใจมีน้ำหนักก็คือสติสติจะคอยดึงใจไม่ให้ไปดีใจไม่ให้ไปเสียใจไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงตอนนี้พวกเราไม่ค่อยมีสติกันมีแต่มีไม่มากมีพอที่จะ อยู่แบบมนุษย์ได้แต่บางคนนี้มีสติน้อยก็อยู่แบบมนุษย์ไม่ได้พวกที่ไปทำบาปเนี่ยแสดงว่ามีสติน้อยกว่าของมนุษย์ลวะจะไปเป็นสติของเดรัจฉานนะเดรัจฉานนี้เขาไม่มีสติเหมือนมนุษย์มนุษย์นี่หักข้ามใจไม่ให้ฆ่ากันได้แต่เดรัจฉานนี่ก็ไม่หักข้ามใจ เวลาเขาอยากจะกินอะไรก็ากัดกินข้าเลยแต่เป็นมนุษย์เราห้ามได้มีสติห้ามเอาออกฆ่ากันไม่ดีถ้าอยากจะกินก็ไปหากินที่ของที่ไม่ต้องฆ่ากันไปกินผักกินอะไรก็ได้ถ้ามีของตายแล้วเนื้อที่ตายแล้วก็เอามากินนี่คือสติของพวกเรา มีแค่ระดับมนุษย์หรือต่ำกว่ามนุษย์นถ้าทำผิดศีลตอนไหนก็ตอนนั้นตกไปต่ำกว่ามนุษย์ต่ำกว่าเกณฑ์ของมนุษย์เกณฑ์ของมนุษย์นี่ต้องรักษาศีลห้าได้ถึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้าไปต่ำกว่านั้นถ้าไปทำผิดข้อใดข้อหนึ่งนี้แสดงว่าเริ่มเริ่มกลายพันธุ์ละกลายจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกละอยู่ที่ว่าทำบาปมากน้อย รุนแรงไม่รุนแรงรุนแรงก็เป็นสัตว์นรกถ้าไม่ค่อยรุนแรงก็เป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างแต่ถ้าไม่ทำบาปได้ก็จะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์เห็นไหมพวกที่ไม่เป็นมนุษย์สมบูรณ์นี่เขาเอาไปไว้ที่ไหนเนี่ยเอาไปไว้ในคุกในตารางเพราะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว เป็นเดรัฉานแล้วเป็นเสือสิงกระเทงแร่แล้ะเป็นงูแล้วเวลาเราเจองูทํำไงเราก็ต้องจับมันเอาไปขังไว้ในกลงในข้อถ้าปล่อยในหะ้มันไปตามที่เดี๋ยวมันก็ไปกัดคนนั้นกัดคนนี้เพราะมันไม่มีสติยับยัง้งเวลาที่มันจะทำร้ายผู้อื่นนี่มันไม่มีสติเหมือนมนุษย์มนุษย์พอจะทําอะไรนี้พอจะไปทำร้ายผู้ น, นี้มันมีสติมันก็จะยับยั้งวะทาไม่ได้ ทำแล้วจะเสียหายมากกว่าไม่ทําำทําแล้วเดี๋ยวต้องจับไปถูกไปจับติดติดคุกติดตารางเพราะว่เป็นมนุษย์ดีกว่าดีกว่าไปเป็นเดรัจฉานเช่นโกรธใครอยากจะฆ่าเขาเนี่ยพอได้สติขึ้นมาโอ้ยฆ่าไม่ได้นะฆ่าแล้วเราเป็นเดรัจฉานไปแล้วเดี๋ยวต้องไปติดคุกติดตารางะเป็นเสือสีนกระเทงแล้วเป็นสัตว์ลายแล้ว นี่คือระดับสติที่พวกเรามีกันแต่ระดับสติของความเป็นเทพของความเป็นพรมของเป็นพระอริยเจ้านี้ยังไม่ค่อยมีกันระดับเทศก็คือมีสติทําบุญไงพวกเทศนี้เขาจะมีสติเวลาเขาจะเอาเงินไปใช้อะไรเขาก็เขาก็จะมีสติว่าเอาไปทําบุญดีกว่าพวกไม่มีสติแบบเทพก็เอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่ม เพราะงันก็ไม่เลยเป็นเทพเพราะเอาแต่กินเอาแต่ดื่มล้วไม่มีเงินทาบุญพวกที่เป็นเทพว่าว่าเอาเอาไปทาบุญดีกว่าได้ความสุขมากกว่าอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยมีสองแม่ลูกเขาตอนต้นเขาคิดจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วเขาได้สติว่าเอาเงินมาทาบุญใส่บาตรพระได้ทั้งภรรษาดีกว่าเขาก็เลยไม่ไปเที่ยว นำเงินที่ไปเที่ยวนี้มาทําบุญใส่บาตรทุกวั น, เ, นเรียกว่าสติระดับเทพะพวกสติระดับพรมก็คือพวกที่จะว่าไม่รู้จะทําอะไรไปนั่งสมาธิดีกว่าดีกว่านั่งดูทีวีดูกว่าไปช้อปปิ้งดูกว่าไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ออไปนั่งสมาธิตรงนี้ก็มีสติระดับพรม นั่งสมาธิมีสติควบคุมใจพุทโธพุทโธเดี๋ยวใจสงบเนิ่งก็ใจก็เป็นพรหมขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงขึ้นมาได้ความสุขโดยที่ไม่ต้องไปไปเที่ยวที่นันที่นี่สติมันมีหลายระดับด้วยกัน <c oughs> พวกสติของพระรยาเจ้าก็ มีสติคิดมีสติมีปัญญาให้คิดในทางปัญญาคิดโดยเหตุด้วยผลอะไรเป็นเหตุทำให้เราสุขอะไรเป็นเหตุทำให้เราทุกข์เราจะเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความโลภความอยากของเรานี่เองพอโลภอยากปั๊บนใจไม่สบายแล้วถ้าไม่โลภไม่อยากใจก็สบายไม่รักไม่ชังใจก็สบายเย็นสบาย พอรักพอชังแล้วใจก็วุ่นวายขึ้นมาก็าหยุดความรักความชังเสียเท่านั้นเองพอไม่รักไม่ชังแล้วใจก็สบายนี่คือระดับของพระอริยเจา้าคิดด้วยปัญญาเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความโลภความอยากต่างๆอความไม่ทุกข์ก็เกิดจากการไม่โลภไม่อยาก แ้วถ้าโลภถ้าโลภถ้าอยากตายไปก็ยังต้องกลับมาใหม่เพราะยังมีความโลภยังมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกนี้อยู่ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแล้วก็ตายไปก็กลับมาใหม่เพราะยังโลภยังอยากอยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็หยุดความโลภความอยากพอไม่มีความโลภความอยากได้อะไรในโลกนี้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม ก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกแบบที่เราทุกกันอยู่ทุกวันนี้ทุกเพราะความรักความคังนี่แหละทุกเพราะความโลภความอยากนี่แต่ไม่รู้กันไม่มีปัญญาถ้ารู้ก็ไม่มีสติพอที่จะทําตามปัญญาที่สอนได้ปัญญาสอนไม่ให้รักพอเห็นอะไรก็ยังอดรักไม่ได้เพราะไม่นั่งสมาธิไม่ทําใจให้สงบ ถ้าทําใจให้สงบแล้วใจจะเฉยจะไม่รักไม่ชังแต่ต้องสงบแบบนานๆไม่ใช่สงบแบบอ่กจอจิงจกแลบลิ้นตัวกเรานั่งสมาธิกันแบบจิงจกแลบลิ้นสงบกันปั๊บเดียวพอออกมาก็รักชังเหมือนเดิมมันต้องสงบา น, นานๆพอออกจากสมาธิมาก็ยังไม่รักไม่ชังอยู่อันนั้นถึงจะเรียกว่าสมาธิ จะมีสมาธิแบบนี้ต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนไม่นั่งก็เดินจงกรมถ้าเมื่อยก็เดินพอห้เมื่อยก็มานั่งใหม่มาควบคุมใจให้สงบไม่ให้ลักไม่ให้ชังจนมันสงบไปทั้งทุกเวลาออกมาก็สงบพอไม่สงบก็กลับเข้าไปนั่งใหม่ยังจะไม่มีเวลาที่มันไม่สงบเลยถ้าเราปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ตลอดเวลา เอาใจเราจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจเราก็จะไม่โลภไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่โลภไม่อยากได้อลไรเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือจุดหมายปลายทางของการารู้จักคิดคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดแบบพระอรหันตสาวกท่านคิดแบบนี้กันทั้งนั้น คิดว่าความรักความชังความกลัวความหลงนี้ทำให้เราเกิดความอยากความโลภต่างๆขึ้นมาทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆพอเราหยุดความรักความชังความกลัวความหลงได้เราก็จะหยุดความโลภความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะเราไม่รักอะไรเราจะไม่อยากอะไร ถ้าเราไม่ชังเราก็ไม่อยากจะไปทำอะไรทำร้ายใครอะไรกาจัดใครเราก็ปล่อยทุกอย่างเขาเป็นของเขาไปเขาเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเป็นไปเราไม่เกี่ยวข้องเราอยู่ของเราอยู่กับความสงบนี้พอแล้วถ้าไม่มีความนักความชังไม่มีความโลภความอยากแล้วใจเราก็จะเป็นนิพพานไปนีกว่นนานิพพาน ใจของพุทธเจ้าหลังจากที่คิดเป็นคิดแล้วดูแล้วว่าความรักความชังไม่ดีความโลภความอยากไม่ดีต้องหยุดมันถึงที่จะหยุดมันได้ก็คือสติพอมีสติก็จะหยุดความรักความชังได้หยุดความโลภหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยอย่างที่เราต้องเหน็ดเหนื่อยกันในแต่ละวัน ต่นขึ้นมาก็ต้องอาบน้ำอาบทามําท่ารล้างหน้าแปรงฟันใส่เสื้อผ้าแล้วสกรปรกก็ต้องเอาไปซักอยู่บ้านเดี๋ยวบ้านมันก็เปิ้ลแล้วเธอก็ต้องเก็บต้องทำความสะอาดมีแต่งานให้ทำไปจนวันตายไม่มีความสบายเลยความสบายได้ก็แป๊บเดียวไปเที่ยววันสองวันเดี๋ยวกลับมาก็หายไปกลับมาก็มาเจอความจาเจอของชีวิตใหม่ ถ้าไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาเจอกับของพวกนี้ก็จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่โลภไม่อยากจะไม่โลภไม่อยากไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็ต้องหยุดใจหยุดความคิดทำใจให้สงบใจสงบแล้วพอมันจะโลภจะอยากก็หยุดมันห้ามห้ามโลภห้ามอยากห้ามรักห้ามชังห้ามกลัวห้ามหลง ถ้าห้ามได้แล้วใจเราจะไม่มีปัญหากับอะไรเห็นอะไรก็เฉยได้หมดเห็นอะไรก็ไม่รักไม่จังไม่กลัวไม่หลงเห็นงูก็ไม่กลัวเห็นผีก็ไม่กลัวเห็นอะไรก็ไม่หลงเห็นเพชรก็ไม่เห็นไม่หลงไว้ว่ามันเป็นเพชรเห็นเพชรก็เห็นว่ามันก้อนหินนี่เองถ้าเห็นเพชรแล้วว่าเป็นเพชรเนี่ยแสดงว่าหลงนะความจริงมันเห็นก้อนหิน แล้วก็ไปเรียกว่ามันเป็นเพชรก็ย่างนี้เพชรมันเป็นอะไรมันก็ก้อนหินดีๆไม่ใช่นะเป็นแต่มันหายากมันก็เลยแย่งกันกบบนั่นเองไอก้อนหินบีเยอะแยะที่หาง่ายทํานั้นก็ทำนั่นเองก็กินได้เปล่ามันก็กินไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเวลาไปหลงป่านี้ถ้าไปนจะกล้วยกับเพชรนี้จะเอาอะไรกินกินเพชรได้หเปล่า แล้วยิ่งหลงใหญ่กอบอกไม่ให้โลภก็หลงนถ้ายังยาวเพ้นอยู่ก็หลงนะเอ้าใจไหมเนี่ยยังหลงอยู่นะเห็นกระเห็นแบงนี่ก็เป็นเห็นกระดาษก็ว่าเป็นแบงเทียบกระดาษเขาขานี่ไม่ไม่โลภไม่แย่งกันพอในกระดาษนี้ในหลวงติดภาพในหลวงติดอยู่นี่แหละแย่งกันนะหลงไม่หลงมันก็กระดาษดีๆเหมือนกันไม่ใช่เหร เอาไปกินก็กินไม่ได้เหมือนกันเอาไปทําอะไรกระดาษปะเปล่ายังเอาไปเขียนอะไรได้เลยใชนั้นเนี่ยซองปะเปล่ายังมีที่ให้เราเขียนอะไรได้แต่บางนี่ไม่มีที่ให้เราเขียนเขียนอะไรเขียนไม่ได้เลยเราหลงกันเนี่ยหลงกระดาษหลงก้อนหินกันฆ่ากันตายก็เพราะกระดาษฆ่ากันตายเพราะก้อนหินเนี่ยกานตัดอีก <Beyonce> ทำงานก็ไม่ไม่ไม่มีวันตัดได้ถ้าไม่ไปนั่งสมาธิถ้าไม่ทําใจให้นิ่งแล้วมันยังรักยังชังยังอยู่ยังหลงอยู่แต่ถ้านั่งสมาธิแล้วมันอิ่มมันจะหายรักหายชังหายกลัวหายหลงเห็นกระดาษก็รู้ว่าเป็นกระดาที่เราบอกหลงเห็นเห็นเป็ดเป็นไก่เห็นไก่เป็นเป็ดเนี่ยเป็พวกหลงพวกพวกที่เห็นกระดาษว่าเป็นเงินก็มัน เห็นกระดาษเป็นเงินเห็นก้อนเห็นว่าเป็นเพชรเนี่ยก็เป็นพวกหลงเหมือนกันแล้ว ม, มาทําอะไรเพชรได้มาแล้วทําอะไรถามจริงเนีย่ยนั่นเลยก็ห้อยก<ๆ>็ห้อยไปติดอยู่าา ด, ดูมั น, าามนต้องไปทำอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างมากก็เวลาอดข้าวก็ไปขายได้ทั้งนั้แต่นอกจากนั้นก็ไม่ได้ ม, มาทําอะไรเอามา ใส่เห็นดูโกโก้รูๆนั่นเองนะถ้าเราไม่มานั่งสมาธิความรักความชังความกลัวความหนงมันจะไม่หายไปเราความลบความโลภความอยากมันก็จะไม่หายไปถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจเราสงบแล้วความรักความชังความกลัวความหนงจะหายไปแล้วมันจะไม่อยากมันจะไม่โลภกับอะไรแล้วมันจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไร ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านมีสมบัติอะไรม้างท่านเคยมีเยอะแยะท่านมีภาษาสามฤดูเห็นไหมเป็นราชโอลด์เป็นพระเจ้ารูปพระเจ้าแผ่นดินคิดอยู่ดูรูปพระเจ้าแผ่นดินสมัยนี้เขามีอะไรกันบ้างท่านก็มีอย่างนั้นแต่ท่านไม่เอาท่านว่ามันเป็นทุกข์ท่านมาเอาแบบไม่มีอะไรดีกวเอาแบบไม่เอาแบบไม่มีความนับความชามังความกลัวความหลงดีกะ่า เราไม่มีรักชังกลัวหลรอกใจอิ่มใจสบายใจมีสุขต่อให้มีสมบัติกองเท่าภูเขามันก็ยังรักยังชังอยู่ยังโลภยังอยากอยู่ไม่มีเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มมันพอความอิ่มความพอจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราทําใจให้สงบต่นนั้นทําใจไม่ให้รักไม่ให้ชงังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงแต่าทาได้ก็ต้องฝึกสติบ่อยๆมันพุโทโธไปทั้งวันหยุดความคิด ให้คิดแต่พุทธโธอย่าไปคิดถึงเงินอย่าไปคิดถึงทองอย่าไปคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้คิดแล้วมันจะรักจะชังแล้วจะโลภจะโกรธขึ้นมา mm hmm. แล้วจะอยู่แบบวุ่นวายอยู่แบบมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องพอโกรธคนนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปมีเรื่องกับเขาแล้ว mm hmm. พอรักเขาก็เดี๋ยวก็ไปมีเรื่องกับเขาอีกแล้ว ก, ก็มีเรื่องแบบหนึ่งชังก็มีเรื่องอีกแบบหนึ่ง อยู่คนเดียวไม่เป็นสุขเพราะหยุดความหยุดความคิดไม่ได้หยุดความความอยากความโลภไม่ได้ยังต้องมาฝึกเจริญสติให้มากๆลองเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับดูสิพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยจะทำอะไรก็พุโทโธไปถ้าจะต้องคิดจริงๆก็หยุดพุดโทโธไว้แล้วคิดเฉพาะเรื่องที่ต้องคิดเรื่องที่ไม่ต้องคิดอย่าไปคิด เราก็กลับมาพุโทโธต่อถ้าไม่ไปทำงานได้ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องคิดถ้าต้องไปทำงานก็ต้องคิดก็ให้คิดแต่เรื่องงานแต่ถ้าไม่ทำงานได้มันก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิแทนแทนที่จะไปทำงานมานั่งสมาธิเพราะใจจะสงบได้ต้องนั่งเฉยๆฝึก ส, สติอย่างเดียวนี้ยังไม่ยังไม่นิ่งยังไม่สงบพอ เพียแต่ทำให้มันไม่คิดมากเท่านั้นเองแต่ถ้าจะให้มันหยุดคิดเลยนี่ต้องนั่งเฉยๆเดินจงกรมนี้จิตไม่รวมเป็นสมาธิต้องนั่งสมาธิถึงจะเป็นสมาธิแต่ที่ต้องเดินเพราะว่าต้องเปลี่ยนเอริยาบท น, นั่งกายนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยก็ต้องลุกมาเดินขณะที่เดินก็ต้องเจริญสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวเวลามานั่งมันจะไม่สงบมันจะคิดต่อ นี่คือการปฏิบัติเวลาเดินก็ให้จเจริญสติเวลานั่งก็ให้มาหยุดคิดมาทําใจให้สงบให้นิ่งก็จเจริญสติเหมือนกันแตมันจ ะ, จะเจริญแบบจิตจะนิ่งเต็มที่แต่ถ้าเวลาเดินนี่มันนิ่งเต็มที่ไม่ได้เพราะมันต้องคอยสั่งร่างกายให้เดินแต่เวลานั่งมันไม่ต้องสั่งร่างกายแล้วมันก็ปล่อยร่างกายหยุดการทํางานเกี่ยวกับร่างกายได้หมดมันก็สงบได้นิ่งได้เต็มที่ ก็ต้องทาทั้งสองอย่างสลับกันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าไม่ได้เดินก็ใช้การกระทาต่างๆเวลาเราอาบน้านั่งหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปเหมือนกับเราเนที่เราเดินเดินจงกรมอยู่ทำอย่างนี้แล้วใจเราจะมีสติคอยกำกับคอยควบคุมความคิดพอนั่งเฉยๆหยุดความคิดมันก็จะหยุดความคิดได้แล้วใจก็จะความนับความชังก็จะหายไป ถ้าสงบนานๆมันก็จะหายไปนานถ้าสงบเดียวเดียวมันก็หายไปเดียวเดีย่ยมันต้องมันทำให้มันสงบนานๆให้มันสงบทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วต่อไปความโลภความอยากมันจะหมดกำลังไปมันไม่สามารถที่จะหลอกให้เราไปโลภไปอยากได้เพราเรารู้ว่าเวลาโลภแล้วเดี๋ยวเกิดไม่ได้ก็เสียใจหรือเวลาได้มาแล้วเดี๋ยวเสียไปก็เสียใจเี่ยยังไงก็ต้องเสียใจ ถ้าไปโลกแล้วเดี๋ยวมันได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวเรต้องเสียใจเพะงั้นอย่าไปเสียใจไม่ดีกว่าอย่าไปโลกไม่ดีกว่าอย่าไปเอาอะไรไม่ดีกว่าไม่มีอะไรแล้วก็มีความสุขแล้ว <reflection S 1> ถ้าเราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจเราก็อิ่มมีความสุขแล้ว <S <S แต่ความอยากมันจะมาหลอกมาล่อเราอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เรายังมีมีความสงบอยู่แล้วแต่มันก็ยังออกมาหลอกมาล่อเราได้ก็เ ร, เรายังไม่ได้กําจัดมันด้วยปัญญา ถ้าเรากําจัดด้วยปัญญาคือเห็นโทษว่ามันจะทําให้เราต้องเสียใจทําให้เราทุกข์ถ้าเราไปทําตามมันแล้วเราก็ไม่ทําตามมันพอเราไม่ทําตามมันต่อไปมันก็จะมาหลอกเราไม่ได้มันจะชวนเราไปเที่ยวก็ไม่ไปชวนเราไปชอปปิ้งก็ไม่ไปต่อไปมันก็ไม่มาชวนแล้วเหมือนเราไปชวนคนอื่นไปเที่ยวเนี่ยชวนสองสามครั้งก็ไม่ไปแล้วก็ชวนองีงนะไม่ไปไม่ชวนแล้วเนี่ย รู้แล้วมันไม่ไปชวนเงินมันก็ไม่ไปไปชวนให้คนที่ไปดีกว่าชวนปุ๊บไปปั๊บเลยเนี่ย น, นี่คือวิธีสั่งสอนของของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนด้วยการพูดสแสดงเหตุสแสดงผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราท่านแสแดงให้เห็นว่าปัญหาของเราทั้งหมดอยู่ที่จิตใจของเราล้วนๆไม่ได้อยู่กับใครเลย ใจิตใจที่ยังมีรักมีชังมีกลัวมีหลงอยู่นีนะ่ที่เป็นตัวปัญหาต้องทําให้มันหายรักชังกลัวหลงแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปแล้วนะวันนี้การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเทลิขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริกปุริติสากหลัง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 มาเตภาวตวันณตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีติสานิจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ได้เข้ามาใกล้ๆหนอยยินเสียงอ่นั่งตบสบายไม่ต้องไม่ต้องคุกเอ่าคือตัวสังขารหรือ ต, ตัวความคิดนะครับอาจารย์อคือในปรชนหรือบุคคลทั่วไปก็มีความคิดที่แบบไม่ได้คิดแต่ว่ามันขึ้นมาเองครับอืมมันเป็นอัตโนมัติมันเป็ น, เ ป, นเป็นนิ ส, สัยเคยคิดอย่างนี้มาจนติดเป็นนิสัยไปอืม เรามาเปลี่ยนนิสัยใหม่นิสัยของพระของพระพุทธเจ้ามาเอาความคิดกรรมพระพุทธเจ้ามาใช้แทนหัดคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดอย่างที่เมื่อกี้สอนเนี่ยเราอย่างจิตของพระพทธเจ้าหรืพระอรหันต์อืาจะมีเพราะความคิดเนี้ยฝุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอ๋คิดอยู่แต่ท่านคุมความคิดได้ท่านสอนให้คิดไปในทางที่ไม่เกิดโทษเราคิดไปในทางที่ทําให้เกิดโทษ คิดไปในทางความโลภความอยากพระพุทธเจ้าท่านจะไม่คิดไปในทางความโลภความอยากเพราะท่านรู้ว่ามันนาไปสู่ความทุกข์นาไปสู่ปัญหาเราเวลาที่มีความคิดขึ้นมาเราควรที่จะแค่รู้หรือว่าให้พิดาจริญก็ต้องรู้ว่าคิดดีไม่ดีถ้าคิดไปทำบุญนี่มันเป็นความคิดที่ดีก็ไปทำเลยถ้าคิดไปทำบาปเพรรู้ว่าเป็นความคิดไม่ดีก็ต้องหยุดมันหยุดมันให้ได้ ถ้าหยุดไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตจะลากเราไปทาบาปจนได้เนี่ยคนที่ทำบาปก่อนที่ก็จะทำบาปก็ต้องคิดวางแผนก่อนละอยากจะได้เงินสักก้อนเอาอยัางไงดี mm. เงินไม่มีไปปนธนาคารดีไหมปนดีวางแผนแล้วไปดูสำรวจดูธนาคารไหนเหมาะนี่ก็คิดไปทำไปแล้วแต่ถ้ารู้ตั้งแต่เรื่องคิดว่าไม่ดีคิดจะขโมยปั๊บไม่ดีก็หยุดมันเลย ถ้าอยากจะได้เงินก็ไปหางานทำเอาไปเก็บขยะไม่เป็นไรหรือตาบความอยากเสียถ้าเมื่ออยากได้ของเราก็ไม่ต้องใช้เงินถ้าของมันจำเป็นเกี่ยวกับการเกี่ยวกับถึงกับชีวิตก็คิดว่ายังไงก็ต้องตายอยู่ดี mm hmm. ยอมตายดียวกับไปทำบาปเพื่ออยู่ mm hmm. ได้ไม่คุ้มเสียทำไปทำบาปไปอาจจะไปติดคุกติดตาราดถ้าถูกจับ ถ้าไม่ติดคุกติดตารางตายไปก็ต้องไปติดคุกในในอบา ย, ยางั้นมันมีแต่เสียมันต้องรู้จักคิดแล้วต่อไปมันก็จะไม่คิดไปในทางนั้นเหมือนเราเราเห็นน้ําข้นนี่เขามีกระโหลกไข่กระดูกคไยกระโหลกอยู่เนี่ยเราจะไปหยิบมาดืม่มไหมเพราะเรารู้วดืม่มต้องตายใช่ไหม ทีเราไม่เวลาทําบาปที่เราไม่ค่อยรู้กันนะทำบาปแล้วจะเกิดผลตามอ่เพราะมันบางทีมันช้าเร็วไม่แน่นอนเห็นคนบางคนทําบาปแล้วกลับยิ่งรวยกลับยิ่งมีความสุขมันก็เลยทําให้เราชะ้าใจหรือ เ, เห็นว่าไอ้เขาทําได้เนี่ยเราก็ต้องทําได้แต่เราไม่ไปมองไอ้คนที่ถูกจับเข้าคุกก็าตาพวกนี้มัน <laughs> ใช่ไหมก็ทําบาปเหมือนกันเนื่องแต่ว่าถูกจับไอ้พวกที่ไม่ทําบาป ทำบาปแล้วไม่ถูกจับมันก็สบายไปก่อนแต่มันก็สบายข้างนอกในชะ่ในใจเราไม่รู้ว่าเขาสุขหรือทุกข์เขาวุ่นวายวเขากังวลหรือเปล่าใช่ไมงั้นทำบาปแล้วมันใจจะต้องไม่สบายใจจะกังวลใจไม่เป็นสุขใจไม่มีความภูมิใจในตัวเองใจรู้ว่าตอนเองนี่เร็วไม่ได้คนอื่นมาด่วด า, ว, าว่าเราเร็ ว, วเรารู้ในใจของเราเอง แต่เราพยายามลืมมันพยายามไม่ไปคิดมันนั่นเองพวกนี้คือไม่มีความละอายในความในการกระทําบาปโดยการไม่ไปคิดมันโดยคิดไปทางว่าเป็นเรื่องจําเป็นอต้องทําอะไรนี้ไปเพื่ออยู่รอดถ้าคิดแบบนี้มันก็ยิ่งพาให้ไปทางทางที่เสียหายหต่อไปถ้าเราคิดไปในทางที่ดีไม่เป็นเราก็ต้องมาอาศัยฟัยฟงเทศฟังธรรม อาศัยการคิดของพระพุทธเจ้าคิดของพระสาวกท่านจะคิดแล้วท่านก็จะเอาความคิดของท่านมาแบ่งให้เราคิดกันสอนให้เราคิดกันถ้าเราฟังธรรมบ่อยๆใจเราก็จะเริ่มคิดไปในแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านคิดกันท่านสอนสามข้อใหญ่ๆคิดไม่ให้ทำบาคิดให้ทำบุญคิดให้ชาระกิเลสที่มีอยู่ในใจให้หมดไป ให้คิดสามข้อนี้ให้ตั้งเป้าอยู่กับ ก, บการทำกิจกรรมสามข้อนี้แล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขมากเป็นความทุกข์จะน้อยลงไปการเวียนว่าตายเกิดจะสิ้นสุดไปแต่ต้องหมั่นฟังฟังแล้วเอาไปคิดต่อเอาไปใช้เวลาที่จะคิดไปทำบาป ก, ก็ต้องหยุด เวลาคิดจะไปทําบุญก็รีบไปทําเลยบางทีคิดทําบุญแล้วชอบอ้างว่าไม่ว่างไม่สะดวกบ้า ง, อ ย, างอย่างนู้นอย่างนี้บ้างคิดแล้วแต่มันก็ไม่ได้ทําก็ยังไม่ได้ผลคิดแล้วก็รีบไปทําเลยกดเดี๋ยวนี้ง่ายอยากจะทําบุญกดในมือถือก็ได้โอนเงินผ่านมือถือได้อับเดียวได้ทําบุญแล้ะอยากจะทําบุญกับที่ไหนก็ทําได้ผู้รับไม่สําคัญ สำคัญที่ผู้ให้ขอให้ได้ให้ก็แล้วกันให้แล้วก็จะได้บุญไม่จะสำคัญว่าใครเป็นผู้รับวัดเป็นผู้รับก็ได้สภากาชาติเป็นผู้รับก็ได้ปอเตตึงก็ได้นงพยาบาลไหนก็ได้ให้แล้วเราได้บุญละเราได้ความสุขใจเพราะเราได้เสียสละได้แบ่งปันได้กาจัดความตณีได้กาจัดความโลก การทาบุญมันจะทำให้เราลดความโลภอยากได้กันน้วเพราะเราเอามาทำไมเอามาแล้วเดี๋ยวก็ไปทาบุญแต่ถ้าเอาเอามาแล้วไปซื้อข้าวซื้อของนี่มันจะยิ่งโลภใหญ่เพราะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะของมันมีราคาแพงๆเยอะแยะก่าวให้มีร้อยล้านก็ซื้อได้หมดในวันเดียวใช่ไหมถ้าจะซื้อจริงๆซื้อโรงแรมโรงแรมนึงก็หมดไปนะเป็นร้อยล้านนะ แล้วมันได้อะไรก็ไม่ได้เลยไม่มีความสุขใจจากการซื้อโรงแรงมากับมีภาระติดตัวทางด้านจิตใจซิต้องมากังวลกับโรงแรมเลยนะแต่ถ้าร้อยล้านนี้ไปให้สภากาชาติมูลริทิอะไรนาชประชาหรืออะไรเอาไปให้เดีแล้วใจสบายอย่างนั้นก่ารให้หลวงถวายร้อยล้านให้กับโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยให้แบบนั้นสิให้แล้วมันจะมีความสุขความสบายใจ ต้องคอยเฝ้าดูความคิดของเราถ้าคิดไปในทางบาปก็หยุดนั้นคิดไปในทางทางบุญก็รีบทำคิดชาระกิเลสได้ยิ่งดีใหโลภอยากได้นู่นได้นี่เปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าไม่มีมันเราก็ไม่ตายตอนนี้เราก็อยู่ได้แล้วมีความสุขได้แล้วทาไมจะต้องมีอะไรมากาไปกว่านี้ได้มาก็ไม่ได้มีความสุขมากไปกว่านี้หรอก กับจะมีความทุกข์มากไปกว่า น, นี้สิเพราะได้มามรักก็ต้องเป็นภาระดูแลรักษาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันพัดท่าจากเราไปก็ต้องเสียออกเสียใจนี่คือวิธีคิดของพระอริยะท่านคิดอย่างนี้ท่านเห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าการทําตามความโลภนี้นําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขความสุขเป็นความสุขปลองความสุขคือความดีใจในขณะที่ได้ พอได้มาแล้วก็ต้องมาแบกภาระกับสิ่งที่เราได้แล้ว mm hmm. ต้องมากังวลมาห่วงมาห่วงแล้วก็มาเสียใจเวลาที่มันเสียไปมันจากเอาไป mm hmm. คิดแบบนี้แล้วจะไม่จะไม่โลภจะไม่อยากได้เลยแล้วเวลาไม่โลภไม่อยากเราจะไม่โกรธใครที่เราโกรธเพราะเราโลภโลภแล้วไม่ได้ดังใจอยากเราก็โก mm hmm. รธพออยากจะได้อะไรเขามาขัดใจเราเราก็โกรธเขาแล้ว แต่ถ้าเราไม่โลภใครจะมาขัดใจเราไงก็เราก็ไม่โกรธเพราะไม่มีอะไรให้เขาขัดที่เขาขัดก็ขัดความโลภความอยากของเราเท่านั้นแหละใช่ไหอที่จะทำได้ก็ต้องไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วมันจะอิ่มมันจะมีคำ ว, ว่าพอเกิดขึ้นมาในใจ ให้มหาความพอความพออยู่ในใจอยู่ที่ความสงบไม่ใช่อยู่ที่มีมากมีน้อยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่พอก็เหมือนกไม่เหม่ก็ไม่ต่างจากขอทานขอทานมันก็ไม่พอเหมือนกันขอทานมันก็ยังอยากได้เศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ยังอยากได้แล้วมันต่างกันตรงไหนต้องคนที่พอเศรษฐีนี้จะต่างกันคนที่พอนั่นแหละคือเศรษฐีที่แท้จริงเนี่ยหนังสือนี่เขียนไว้ เศรษฐีที่แท้จริงมหาเศรษฐีที่แท้จริงลองไปอ่านอยูลองทําใจให้พอแล้วสิมันจะเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาแล้ไม่เอาแล้วใครอยากให้ไม่ต้องการเงินของใครใครให้อะไรมาก็ไม่อยากได้แสดงว่าเป็นเศรษฐีแล้วใช่ไหมถ้ายังอยากได้อยู่นี่มันไม่ใช่เศรษฐีหรอกนะโอเคนะคมีไก่าการนั่งการนั่งสมาธิกับ คู่กับฟังทังเทศไปด้วยเนี่ยจะได้สมาจะได้รูคือการนั่งสมาธิจริงๆนี่เราจะไม่ฟังธรรมเราจะไม่ฟังธรรมเพราะว่าฟังธรรมนี้เป็นการเรียนแต่การฟังธรรมนี้มันก็ได้ทั้งความรู้และได้ความสงบด้วยก็ได้สมาธิด้วยแต่ไม่ไม่ลึกเหมือนกับที่เรานั่งคือสมาธิมันมีหลายหลายชั้นพูดง่าย การฟังเทศฟังธรรมนี้จะได้ชั้นต่างๆจากการนั่งคือใจจะหายฟุ้งซ่านเราก็ลองไปเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามานั่งฟังเทศฟังธรรมเดิมเรื่องที่เราเครียดใจเราก็สงบในระดับหนึ่งแต่ม่นไม่ลงลึกเหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิเฉยๆไม่ฟังอะไรเลยดูลมอย่างเดียวหรือพุดโธอย่างเดียวอันนั้นนมันจะลงลึกลงถู่ชั้นชั้นต่างสุดใน ล, ลึกที่สุดเลยเกิดจะเข้าไปในอัปปนาสมาธิเลย แต่ถ้าไม่นั่งสมาธิเฉยๆนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมนี้มันจะไม่ลงเลยึยนอกจากถ้าฟังแล้วระดับปัญญาเข้าใจแล้วตัดกิเลสได้เนี่ยมันก็จะลงได้เช่นเวลาที่พระเจ้าแสดงธรรมให้กับพระปฏิบัตินี่พอฟังแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบาลเป็นพระอะไรเนี่ยตอนนั้นจิตของท่านสงบ เพราะท่านสงบด้วยการปล่อยวางตัดกิเลสตัดความโลภความอยากต่างๆด้วยปัญญาด้วยการเห็นโทษของการทำตามความอยากว่าจะเป็นการหาความทุกข์เมือ่อพอเริ่มอยากวับใจก็หายเลยองคุริมานอยากจะฆ่าคนเพราะอยากจะจะได้บรรลุธรรมเพราะาเจ้าบอกว่าการฆ่าคนนี่ไม่ใช่เป็นการบรรลุธรรมก็หยุดเลย จะบอกให้หยุดความโลภหยุดความอยากพอหยุดความอยากออกผริมาก็เป็นท่าร่างขึ้นมาอะไรก็ได้การฟังธรรมแต่ต้องฟังแล้วเข้าใจแล้วทําได้ฟังแล้วเลิกได้อย่างความโลภความอยากแต่ยังโลภยังอยากอยู่ยังรักยังชังยังกลัวหลงยังหลงอยู่ก็ยังไม่บรรลุธรรมงั้นการฟังธรรมถ้าคนแสดงเป็นผู้ รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าแล้วคนฟังนี้มีกำลังที่จะปฏิบัติตามได้ในขณะที่ฟังทำใจได้เหมือน <c oughs> ก็จะบรรลุธรรมได้ใจก็จะสงบเหมือนเข้าสมาธิได้ถ้าเรานั่งสมาธิยังไม่ได้แล้วอาศัยการฟังธรรมเพื่อใจสงบ <c oughs> ก็ได้ฟังธรรมไปก่อนแต่เราพอเลิกฟังธรรมแล้วเราควรจะนั่งต่อ ควนจะนั่งพุโทโธต่อแล้วดูลมหายใจต่อมันถึงจะลงลึกเข้าไปถ้าใจเรายังไม่ลงถึงขั้นลึกจากการฟังธรรมเราก็ต้องมานั่งสมาธิต่อแต่เวลาฟังธรรมก็ต้องฟังอย่างเดียวอย่าไปทำอะไรญาติโยมบางคนอยู่บ้านว่าทำงานไปเปิดธรรมะฟังไปอย่างนี้ก็จะไม่ได้ไประโยชน์เต็มร้อย ได้ครึ่งหนึ่งได้ห้าสิบห้าสิบเพราะครึ่งหนึ่งก็ต้องเอาใจไปอยู่กับงานที่ทำอีกห้าสิบก็มาอยู่ที่การฟังก็เหมือนกับที่บอกตอนต้นว่าฟังทำแล้วอย่าไปนั่งเขียนอย่าไปเขียนบันทึกไว้ว่าเรากำลังฟังอะไรอยู่เพราะมันจะได้ห้าสิบห้าสิบท่นั้นขณะที่เราเขียนเราก็จะไม่ได้ฟังขณะที่เรากำลังทำงานแล้วใจเราอยู่กับงานเราก็จะไม่ได้ฟังได้ยินเสียงแต่จะไม่เข้าใจ พอเรากลับมาฟังดังนั้นเราก็จะเข้าใจส่วนที่เราฟังพอเรากลับไปทางานมันก็จะไม่ได้ฟังถึงแม้ได้ฟังได้ยินแต่ไม่รู้เรื่ององั้นถ้าอยากจะฟังแล้วได้ได้ประโยชน์เต็มร้อยก็ต้องไม่ทำอะไรให้นั่งเฉยๆแล้วฟังอย่างเดียวแล้วจะได้ประโยชน์เต็มร้อยเหมือนก็เหมือนกับที่เด็กเรียนหนังสือในโรงเรียนอาจารย์ต้องบอกให้นั่งเฉยๆใช่ ไม่ใช่ปล่อยให้ดักคุยกันเล่นกันในห้องแล้วอาจารย์สอนไปเด็กมันก็จะฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ตั้งใจฟังมองแต่ไปเล่นกันไปคุยกันไปหย่กันยเงี้ยบางทีเด็กนั่งอยู่ติดกันเล็กก็ส่งกระดาษหยากันไปหย่ากรมาอาจารย์ก็พูดไปพูดไปเด็กก็ไม่ได้ฟังก็จะไม่เรียนไม่รู้เรื่องเวลาสอบก็จะสอบตกอต่เดกเด็กที่ตั้งใจฟังนี่เขาก็จะรู้เรื่องเวลา ตอบเ้าก็จะตอบปัญหาได้ตอบคำถามได้ yeah. เหมือนกัน yeah. เวลาฟังเทศฟังธรรมก็ฟังมันไปอย่างเดียวอย่าไปทำอะไรแล้วจะได้ไประโยชน์เต็มร้อยเวลาฟังก็อย่าไปพุดโทร mm hmm. เข้าใจอย่าไปดูลมเอาเสียงเอาเสียงธรรมเป็นเป็นลมแทน yeah. mm hmm. เป็นเป็นอารมณ์แทน yeah. mm hmm. บางคนนั่งฟังธรรมไปแล้วก็ไปพุดโทรแข่งกับเสียงธรรมอีกมอนเดี๋ยวมันก็ชนกัน มันก็เลยจะไม่สงบถ้าอยากจะพุโทโธก็ปิดเสียงธรรมไปไม่ต้องฟังธรรมแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าฟังธรรมก็เอาธรรมะนี้เป็นอารมณ์แทนเอาเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนแล้วจะได้สองอย่างถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจใจก็ได้แต่ความสงบพราะใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับเสียงธรรมที่เราฟังถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจเราก็ฟังไปเรื่อย ก็ใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบได้ในระดับหนึ่งถ้าเราฟังแล้วเราพิจารณาตามเราก็จะได้ปัญญาได้ความเข้าใจอ๋อลุ้แล้วว่าทําอย่างนี้จะได้อย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้เราจะไม่ได้อย่างนั้นมันก็จะเป็นความรู้เป็นปัญญาเราก็จเอาไปใช้กับชีวิตเราต่อไปพอเราจะไปทําอะไรเรารู้ว่าทำแล้วจะต้องได้รับอย่างนั้นนี้ไม่ทําดีกว่าถ้าเราไม่อยากจะได้รับผลที่เรา ทำเอเราก็ไม่ทําดีก่ะเช่นไปขโมยอะไรนี้ไปขโมยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปติดคุกติดตารางห่ก็ไปเกิดเป็นแมวเป็นหมาต่อไปหมามันชอบขโมยไหมแมวมันชอบขโมยไหมเขาเรียกแมวขโมยนะคนถ้าขโมยก็เหมือนกับแมวกับหมานี่นะ แ, แล้วถ้าแมวมาหลีกที่บ้านเราควรจะไล่ไปหรือว่าเราควรจะเลี้ยงไหคะค่ะ ถ้าเราเป็นแมวเราจะต้องการยัง <Ireland. S 1> ไงถามถามใจแมวดูสิ<อ>ถ้าเราสมมติเราเป็นแมวจะบาปไหมฮะไล่ไปไม่บาปเพียงแต่เราจะไม่เมตตาไงเราไม่ได้บุญแต่สุดท้ายเขาเลี้ยงแมวเยอะเลยอะมันก็ต้องมีเหตุตผล <มา S 1> สิมันก็ต้องดูดูความสามารถดูผลกระทบที่จะตามตามาถ้าเลี้ยงมันแล้วไม่มีผลกระทบเสียหายตามมาก็เลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปถ้าเลี้ยงแล้วมีผลกระทบเสียหายตามมาก็ต้องหยุดเลี้ยง อนี้เขาเรียกมันพันตัวเลยอย่างนีน้ใช่ไหมมันก็ทุกอย่างมันก็ต้องมีขอบมีเหตุมีเหตุมีผลไมทำหมันแคจะบาปไม่บาปไม่บาปนะเป็นเพียงแต่การแม่เขาสร้างลูกขึ้นมาท่านเองเขายังมีทํากิจกรรมของเขาได้เป็นปกติถ้าไม่ช่วยเขาก็ไร้ความเมตตาท่นเองแต่ไม่บาปเพราะไม่ได้ไปเข้นฆ่าเขาไม่ได้ไปทไําอะไรเขา ถ้าอางูมันเข้าบ้านเราจะปล่อยมันอยู่ในบ้านหรือเปล่าเราก็ต้องจับมันหรอใ้่คำว่าถ้าเราจับมันไปปล่อยทีอ่อื่นไม่บาปแต่ถ้าเราฆ่ามันเน่บาปแมวก็เหมือนกันถ้ามันมาแล้วถ้าเราไม่เลี้ยงมันเราไปปล่อยที่อื่นมันก็ไม่บาปแต่ไ ม, ไม่ไม่ได้บุญนะนเองถ้าอยากได้บุญก็เลี้ยงมัน เลียงเยอะมาใหม่อีกตัวนึ่งนะไม่ยอมไปอ่าวันนี้ทางเฟซบุ o กเข้ามาเท่าไหร่สี่ร้อยกว่าสางยูทู่ร้อยกว่าหนึ่งร้อยสิบค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็สามร้อยกับเจ็ดสิบสามร้อยกว่ากับเจ็ดสิบถ้าวันธรรมดา ก็สี่ร้อยกว่ากับร้อยกว่าเพราะคนอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่ทำงานและออยู่ที่บ้านก็มี Wi-Fi ก็สามารถเปิดฟังได้ติดตามได้แต่ถ้าไปไหนมาไหนไปไปทำธุระ ป, ประปังข้างนอกก็จะไม่สะดวกฟังกันดังั้นวันเสาร์อาทิตย์คนจะติดตามน้อยกว่าวันธรรมดาก็าลดไปประมาณสักร้อยหนึ่ง ประมาณสักร้ อ, อะละยี่้า้อละยี่้าคำถามจากคุณบ b บค่ะเวลาสวดมนต์ก่อนนอนถ้าสวดที่เตียงนอนไม่ใช่ห้องพะจำเป็นต้องแต่งตัวให้มิดชิดกางเกงขา ย, ยาวเสื้อนีแขนไหมคะเกือถ้าเราอยู่คนเดียวแก้ผ้านั่งสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีหรือสีชีเปลยเขามานั่งสมาธิกันได้ การที่ให้แต่งตัวนี่เป็นเวลาที่เราต้องไปเจอคนอื่นเขาคนอื่นเขาเขาเขาจะวิพากวิจาร์เรางัเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะแต่งไม่แต่งก็ได้เวลาอยู่ในห้องน้าเราจะพูดโทอยู่อาบน้าไปพุดโทไปก็ได้ไม่เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าอย่าไปทาต่อหน้าคนอื่นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าหาว่าเราไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้จักความเหมาะสมว่าควรไม่ควรอย่างไรท่านั้นเองถ้าอยู่คนเดียวอยู่ในห้องของเราคนเดียวเราจะแต่งกายแบบไหนก็ได้คำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะเคยมีคนรักจากไปเพื่อบวชเป็นพระถึงแม้ท่านไม่เคยพูดออกมาแต่กระแสที่ได้รับคือให้เปลี่ยนมุมให้เปลี่ยนมุมมองของความรักจากการครอบครอง เป็นความเมตตาปัทนาให้อีกฝ่ายมีความสุขไม่ทราบว่าแบบนี้คือสอนให้ตัดใจใช่ไหมคะก็สอนให้เราเลิกรักแบบเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์จากผู้ที่เรารักนะให้เรารักแบบให้อย่าไปรักแบบเอาเพราะรักแบบเอามันจะทำให้เราทุกข์ไม่ช้าก็เร็วถ้ารักแบบให้นี้จะไม่มีวันทุกข์จะมีแต่ความสุขเวลาเราให้อะไรใครนี้แม้แต่ขอทานล้วให้มันแล้วเรารู้สึกมีความสุขหม เห็นเขาสงสารเขาเขาไม่มีกินเหมือนเราพอเราให้เขาไปซื้ออาหารกินได้เราก็รู้สึกมีความสุขใจขึ้นมานี่รักแบบให้ไม่ได้รักแบบเอาคำถามจะคุณอารยาค่ะเวลาลงนั่งสมาธิหลังจากสวดคูบาอาจารย์แล้วพอเริ่มบริการพุทโธ ร, รู้สึกว่าจิตจะนิ่งและรวมเป็นหนึ่งเดียวมีความสุขและสงบมาก อยากถามว่าสิ่งนี้คือสมาธิหรือฌานหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ อ, อ่าแน่ๆฌานถ้าหลานก็ไม่รู้แหละขอให้มันมีความสุขก็แล้วกันออขอให้มันไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็แล้วกันแล้วพยายามทําให้มันมากๆยาวแบบจิ้งจบแลบลิ้นทําให้มันแบบยาวๆนานๆทําบ่อยๆทํามากๆจนมันเป็นได้ทั้งวันเลยขณะนั่งสมาธิและไม่นั่งสมาธิมันก็เป็น แ้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยมาใช้ปัญญาคอยคอยจับกิเลสเวลามันโผล่ขึ้นมาเวลาความอยากโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาฆ่ามันเพราะสมาธิยังไม่ทําให้ความอยากมันตายเพียงแต่ว่าทําให้มันไม่มีกําลังออกมาเพ่นพ่านเหมือนเมื่อก่อนแต่มันยังไม่ตายพอมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องตัดมันพออยากจะดื่มกาแฟก็หยุดมันอยากจะไปเที่ยวก็หยุดมันอยากจะกินขนมก็หยุดมัน อยากไปทําตามเหมือนแล้วต่อไปความอยากต่างๆเหล่านี้มันจะหมดกํำลังมันจะไม่มาชวนเราไปกินขนมไปกินไปดื่มกาแฟาไปเที่ยวอีกต่อไปเราก็จะไม่มีใครมากวนใจใจเราก็จะสงบไปตลอดมีความสุขไปตลอดคําถามจ่ะคุณนุ ก, กานค่ะการที่เราได้เผาศพคนที่ตายไปแล้วกระดูกคนตายจําเป็นต้องเอาไปลอยอังคารไหมคะ ก็แล้วแต่เราเราอยากจะไปทำอะไรก็ได้อยากจะเก็บไว้ก็ได้อยากจะบรรจุไว้ที่ไหนก็ได้หลวงตานท่านเอาไปโลยเอากระดูกที่เท่าของแม่ท่านไปโลยที่โคนต้นโพท่านบอกเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าไปเป็นปุ๋ยไปผสมกับดินที่อยู่โคนต้นโพนั้นแล้วแต่เพราะมันไม่รู้จะไปทำมันเก็บไว้ก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ เอาไปใส่พราอกไว้ก็ได้ใส่อะไรไว้ก็ได้บางคนก็ไปเช่าช่องตามวัดก็ได้วัดที่บางทีเ้าเวลาจะหาเงินสร้างวัดเขาก็เลยทำช่องให้เก็บกระดูกกันคนที่เวราจะกระดูกไปเก็บไม่ไหนก็เอาไปทําที่วเอาไปบริจาคเงินที่วัดแล้วเขาก็ให้ช่องเก็บกระดูกมาแล้วปีหนึ่งเวลาวันสงการก็ไปทำบุญบูทิสให้พ่อให้แม่ผู้ที่ร่วงลับไปกันสักครั้งนึง แล้วแต่แล้วแต่เราจะชอบทำอย่างไรที่นี่ก็มีมีโยมคนนึงมาสร้างกุฏิแล am ้วมาทําคอนโดช่องเก็บกระดูกไว้เก้าช่องเก็บให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ตัวเองทําเผื่อไว้ก่อนเลยตอนนี้ตัวเองก็ตายแล้วตัวเองตอนนี้ก็มาอยู่บนเขาเลยละนีกุฏิอยู่หลังจะมีช่องเก็บกระดูกอยู่เก้าช่องเราก็ทำให้เก้าช่องตอนที่ก็ทําก็ทําให้พ่อกับแม่ตอนนี้เขาตายแล้วพี่น้องเขาก็เอามาเก็บต่อ ไม่รู้เกี่ช่องก็ไม่รูเป็นคอนโดเก็บกระดูกไปสร้างกุฏิให้พระอยู่แล้วตัวเองก็จะมีที่อยู่เวลาที่ตัวเองตายแต่คนที่ไม่มีช่องเก็บกระดูกไม่มีที่เก็บก็เอาไปเยลอยอังคารในทะเลเพราะมันเป็นวิธีที่สะดวกง่ายไม่ไม่สิ้นเปลืองมากกันแล้วแต่ความเหมาะสมจะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ ทำไมเก็บของอย่างเ ง, งี้ยไว้เยะเก็บได้ทำไมเก็บกระดูก ข, ของพ่อของแม่ที่เราลักไม่ได้ใช่ไหมเอาใส่กล่องก็ได้หรือทำํำทำพระโอเบลอยสวยๆแล้วใส่ไว้แล้วไปตั้งเราจะได้ลาลึกถึงท่านอยู่ทุกวันถึงพ่อแม่ไม่ท่านไม่มาหลอกเราหรอกตอนที่เป็นท่านก็ไม่ได้มาทําร้ายเราตอนที่ท่านตายท่านจะมาทําร้ายเราได้ยังไงใช่ไหมพ่อแม่มปแต่รักเราไม่มีใจที่จะคิดมาทําร้ายเราหรอกคาถามจากคุณเดียค่ะ เมื่อผมภาวนาพุโทโธแล้วใจไม่ค่อยสงบเมื่อภาวนาพุโทโธสัก พ, พักเลยลองเปลี่ยนเป็นการใช้อจุภะกรรมฐานแบบอนุโลมปฏิโลมเ<ม>พราะตอนเป็นพวกราคะจริตได้ผลหน้าแปลกใจคือจิตมันมาอยู่ในกายความฟู้งซ่างเกี่ยวกับร่างกายลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมควรทำอย่างไรต่อไปครับก็าทาไปสิถ้าไหนได้ผลดีก็พยายามใช้นั้นแหละเป็นตัวที่ทาใจของเราให้สงบ เพราะคนเรามีหลายจริตราคะจริตก็ต้องใช้อสุภะโทสะจริตก็ต้องใช้เมตตาถ้าอะไรจริตะไม่รู้จะไม่ได้มีอยู่สีห้าโมหจริตก็ใช้อนาปนาสติถ้าพุท ธ, ธจริตก็ใช้ปัญญาใช้โมนานนสติพวกที่เป็นพวกชอบของจีงนี้ต้องคิดถึงความตายแล้วใจมันถึงจะสงบ ก็มีหลา ก, หล า, กหลายด้วยกันหลากหลายจริ ต, ตอาจจะคนเดียวอาจจะมีหลายจริตก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าตอนนี้มีราคะขึ้นมาก็ต้องใช้อสุภะถ้ามีโทสะขึ้นมาก็ต้องใช้เมตตาขึ้นอยู่กับภาวะของจิตของเรามันบางทีมันก็โมหะมันก็ใช้มันก็ใช้อนาปานาสติเดิรวมหายใจเข้าออกถ้าศรัทธาจริตก็ พุโทโธพุธโทโธไปบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าพุโทโธพุธโทโธแล้วจิตก็สงบบางคนก็ต้องคิดถึงอสุภะคิด ถ, ถึงสงบบางคนต้องแผ่เมตตาอภัยสัตตาอเวลาหตุกําลังโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้เหยื่ก็ให้อภัยเขาพอให้อภัยเขาได้เราก็หายโกรธใจเราก็จะสงบได้คําถามจากคุณเอกกี้ค่ะสุขจากการปฏิบัติสมาธิ เมื่อทำมากๆเข้าจะกลายเป็นคนติดสุขจนกลายเป็นคนเบื่อทางโลกหรือเปล่าครับทางโลกมันน่าเบื่ออยู่แล้วที่ปฏิบัตินี้ก็เพื่อให้เบื่อทางโลกให้เราหาความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขทางโลกมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความทุกข์สุขแล้วเดี๋ยวมันดิบเขาน ไ, ไหมสุขแล้วเดี๋ยวมันหายไปพอหายไปแล้วมันก็เป็นทุกข์ให้เบื่อโลกแล้วให้มาติดกับความสุข ที่แท้จริงคือความสุขของใจที่สงบอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาคําถามจากคุณพิทักค่ะการโกหกเพื่อทําให้ผู้อื่นสบายใจถือว่าผิดไหมครับผิดทั้งนั้นก็โกหกอะทำไม้องให้เขาสบายใจด้วยไม่พูดเฉยๆก็ได้แล้วถ้าเกิดเขาจำเราโกหกได้แล้วก็จะหาย ควมสบายใจเขาก็จะหายไปอยู่ดีงั้นอย่าไปโกโหกดีกว่าคำถามจากคุณยุคนค่ะจิตกับสติคืออะไรขณะภาวนาทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรครับจิตก็คือตัวที่ควบคุมร่างกายเราเนี่ยที่สั่งให้ร่างกายเราทำยอะไรนย่างไรี่คือตัวจิตจิตเป็นตัวสั่งให้ร่างกายเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเรากินเราเดื่มนี่ต้องจิตเป็นผู้สั่ง สติก็คือผู้กำกับจิตจิตอีกที่นึ่งผู้คอยดูว่าจิตกำลังทาผิดทำถูกหรือไม่เช่นพอจิตจะสั่งให้ร่างกายไปฆ่าคนถ้ามีสติมันก็บอกว่าไม่ดีหยุดเสออถ้าไม่มีสติก็ไปฆ่าคนเช่นคนกินเมาเล่าเมาเนาะพอโมโหขยขึ้นมาก็ไปฆ่าเขาเลยเพราะตอนนั้นไม่มีสติควบคุมใจคำถามจากคุณยุคนค่ะ สเตตัสของสมาธิขณะภาวนาฟาังธรรมคืออัปปนาสมาธิถูกหมครับไม่หรอกส่วนใหญ่ก็เพียงแต่ทําใจให้ไม่ฟุง้งซ่านไม่ให้วุ่นวายเท่านั้นเองถ้าจะเป็นอัปปนาสมาธินี่ส่วนใหญ่ต้องนั่งต้องนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธหรือนั่งดูลมหายใจเข้าออกยกเว้นกรณีของคนที่บรรลุธรรมบรรลุเป็นโสดาบันไดเนี่ยจิตก็จะ เข้าไปสู่ในระดับสมาอปปนาสมาธิได้คำถามจากคุณดีดีค่ะพอไวกระเสียนแล้วผิวหน้าแห้งมากถ้าเราถือสีน8แปดทาครีมเพื่อบรรเทาอาการแห้งตึงได้ไหมคะถ้าเป็นการรักษาก็ได้ถ้าเป็นการเสริมความงามก็ไม่ได้คำถามจากคุณนงรักค่ะนั่งสมาธิแล้วเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกตลอดมา ไม่รู้จริงๆว่าฟันบนล่างต้องกระทบกันไว้หรือปล่อยถ้า ย, ยมปล่อยไม่กระทบกันก็สบายๆเจ้าค่ะไม่ทราบว่าทำอย่างไรดีคะอย่างไรก็สบายอย่างที่สบายนั่นแหละสบายอย่างไหนก็ทำอย่างนั้นก็แล้วกันคุนถามจากผู้ไประสงคออกนามค่ะถ้าเรามีภรรยาแต่เขาไม่นอนกับเราแล้วเราจะไปนอนกับคนอื่นที่เขาไม่มีครอบครัวบาดไหมคะต้องตกลงกับเขาก่อนนะ ต้องคุยกับภรรยาก่อนถ้าภรรยาเขาเขาเขาถือว่าไม่เป็นภรรยาเป็นสามีกันแล้วก็ไปนอนกันกับคนอื่นได้ก็ควรอย่ากันเลยดีกว่านอกจากว่าออยังอย่าไม่ได้แต่ทางใจทางกิจกรรมมันอย่ากันแล้วก็ไม่มีปัญหาตามมาก็ไปได้ที่เขาที่เขาแม่ประพฤติผิดประเวณีเพราะกวจะมีปัญหาตามมา เดี๋ยวจะโกรธกันเกียดกันไปฆ่ากันตายได้เวลาหึงหวงกันเวลาไป น, นอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นคู่ห้องของเรามันจะมีปัญหาได้คำถามจากคุณจันกิลาค่ะคนที่มีศีลจะทำสมาธิได้ง่ายกว่าหรือเปล่าคะแน่นอนเพราะคนที่มีศีลก็มีเวลาไงถ้าถือศีลแปลดเนี้ยก็จะไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหม ไม่มีไม่ไปเที่ยวก็มีเวลามานั่งสมาธิคนที่ไม่ถือศีลแปดไปเที่ยวก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิคนนยมันก็ต้องมีศีลก่อนมันถึงจะนั่งสมาธิได้เพราะจะได้มีเวลาเี่ยเพราะการนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งแค่ครึ่งชั่วโมงก็จบเนี่ยนั่งสมาธิจริงๆมันต้องนั่งเป็นวันเป็นคืนมันถึงจะได้ผลถ้ามานั่งแค่ก็กระจบ แบบดินนกก็เลยจิ้มจบแบบดินก็นั่งก็ห้านาทีสิบนาทีแต่ถ้าจะนั่งแบบให้มันได้ผลจริงๆต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนมันก็ต้องถือศีลแปดกันถึงจะได้ไม่ต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นทำกิจกรรมอย่างอื่นจะได้มีเวลานั่งได้อย่างเต็มที่หมดแล้วเลย อ, อข้อสองข้อคำถามจากคุณสุวรรณาค่ะ เมื่อทำสมาธิได้ในระดับหนึ่งเหมือนในตัวเรามีอยู่สองคนสองความคิดพอใจเริ่มมีความอยากต่างๆก็มีความคิดหรืออีกคนหนึ่งในตัวเราพูดเตือนออกมาว่ามีความอยากอีกแล้วหยุดนะแล้วตัวกิเลสก็หมดไปในตอนนั้นคําถามคือนี่คือปัญญาที่สอนจิตใช่ไหมคะอ่าสติและปัญญามีสติรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่แล้วก็มีปัญญามาแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูก คำถามจากคุณจูนค่ะหนูปวารณาถือศีลแปตลอดพรรษาถ้าหากมีการละเมิดศีล8นักครั้งนั้นจะถือว่าการปรวารณาจะโมฆะไหมคะหรือว่าคิดว่าจบไปแล้วให้ถือศีล8เริ่มต่อไม่ต้องข้องกับสิ่งนั้นได้ไหมคะได้ทำผิดข้อไหนก็ทําความเข้าใจว่าเราผิดพลาดไปเ้วก็รักษาต่อไปพยายามให้มีสติมากขึ้น ก็เพียงแต่ว่าคะแนนไม่ได้เต็มร้อยนะแทนที่จะได้ร้อยอาจจะได้แค่เก้าสิบเก้าจุดเก้าถ้าทำผิดมากขึ้นมันก็คะแนนก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆได้อ่ะมีอีกไหมีเอาอีกสักสองสองคำถามกันแล้วกันคำถามจากครูสุ ป, ปัญญาข้อที่หนึ่งค่ะได้เจริญสติในระหว่างวันด้วยระลึกถึงพุทธโธส่วนมากถ้ามีความคิดหรืออารมณ์ที่ไม่ดีก็ระลึกถึงพุทธโธ จนความคิดหรืออารมณ์นั้นดับไปแต่บางครั้งก็ไม่หายก็เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอย่างอื่นทำเลยแบบนี้ได้ไหมคะควรจะพุโทโธต่อไปได้ิจะดีกว่าใช้พุโทโธไปได้วยแสดงว่ายังกินยาไม่พอต้องกินยาอีก mm hmm. พุโทโธต่อไปแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆอย่าไปทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ลืมก็ได้แต่มันสู้พุโทโธไม่ได้เดี๋ยวไปทากิจกรรมอื่นเดี๋ยวเกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกก็ได้ ข้อที่สองค่ะช่วงนี้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแล้วในระหว่างวันมีเสียงสวดมนต์บรรดังขึ้นมาเองแล้วควรฟังแล้วสวดตามหรือกลับมาอยู่กับพุทโธในการเจริญสติระหว่างวันคะควรจะอยู่กับพุทโธอย่าไปสนใจกับเสียงต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาคําถามจากคุณประหยัดค่ะ<จ>นั่งภาวนาสุดท้ายแล้วน ะ, ะนั่งภาวนาพุทโธ